พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่ห้วโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่หนึ่งมิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าพากาพรมหลงผิดวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2559 ในวัดของเราตามร า, ายงานของพระเวรว่ามีอยู่45องค์วันนี้นะลงมาชั้น33มีนาคยุซองมดชั้น10หลวงพ่อลงไปกรุงเทพหลายวันลูกลานาลงไปตั้งแต่วันที่25 26 ออกจากวัดไปแสดงธรรมที่เจริญโนเตนวันที่26เย็น2ทุ่มก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามพอฉันเสร็จแล้วก็ตอนเที่ยงลงกรุงเทพที่27 28เช้าเป็นวันเสาร์พี่น้องประชาชนใส่บาตรที่สวนแสงธรรมก็มากวันเสาร์ วันอาทิตย์วันที่29เป็นวันทาบุญอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่จัดผ้าป่าที่สวนแสมทำรู้สึกว่าทางฝ่ายคณะศ ร, รัทธาญาติโยมฝ่ายพระสงฆ์มากทีเดียวทีนี้29นะวันที่30หลวงพ่อฉันที่จิตพชนาปาก แล้วก็วันที่30เป็นวันครบรอบวันมรณะของโยมันดาขององค์หลวงตาทางบ้านตารก็จัดงานครบรอบทำบุญเปิดโลกธาตุวันที่30ของทุกปีแต่หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นมาหลวงพ่ อ, อยู่กรุงเทพชั้นที่โภชนาปักของคุณหลวง วันที่สา3สิบสาสิบเอ็ดเมื่อวานหลวงพ่อทำธุระในกรุงเทพพอเสร็จแล้วก็กรับขึ้นมาแด็ลูกหลานนั่นภาระของหลวงพ่อที่ได้เรียนได้กล่าวให้คณะัตธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพอขึ้นมาตั้งแต่นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพมาเห็น พอเข้าเขตแดนของเมืองอุดรรู้สึกว่าน้ําในท้องนาเต็มทุ่งเต็มท่านะลูกหลานรู้สึกว่าฝนเมืองอุดรปีนี้ชุ่มฉ่าขึ้นมาแต่หัวปีทีเดียวแต่ก่อนเครื่องจะล่อนลงเลยเห็นน้ําในท้องหนาอ้พี่น้องลูกหลานคงจะมีน้ำํำได้ใช้แต่ต้นปีเดือนนี้ปีนี้แต่พอมาถึงวัดก็รู้สึกว่า ชมชําไปเหมือนกันน้ําห้วยลางเรื่มขุ่นน้ําเอำน้าห้วยลางลงมาแล้วน้ำราลางที่หน้าวัดของเราก็รู้สึกว่า อ, อมีน้ําแล้วก็ท้องนาก็รู้สึกวรมีน้ําปีนี้รู้สึกว่าฝนมาแต่ต้นปีพอสมควรนะอันนี้ก็คือดินฟ้าอากาศ หลวงพ่อได้บอกให้พวกเราได้ทราบแต่ทั้งกรุงเทพฝนไม่ตกนั่นลูกหลานนะร<ส>ู้สึกมีแต่ฟ้าร้องือ ห, หือหธรรมดาฝนไม่ตกที่กรุงเทพนะแต่ก็ไม่อยากให้ตกมากกว่ากรุงเทพตกพอชุมจําเย็นๆก็น่าจะพอเพราะคุณกรุงเทพเขาไม่ต้องการน้ําอยู่แล้ว ถ, ถ้าตกในกรุงเทพมีแต่เขาแช่งดาฝนเพราะมันรถติดเล แต่ถึงยังไงพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อไม่อยู่วัดหลายวันแต่ถึงยังไงก็ให้พวกพระดกลลานทั้งหลายถึงหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ไกลพวกเราบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยู่จะไล่พยามรตุราชออกจากวัดไม่ใช่นะ พยามัจจุราชทหารพยามัจจุราชคืบคานเข้ามาอยู่โดยสม่ำเสมอโดยตลอดไม่ใช่จะสูญเจ้าอีกต่างหากเหลือเกินหลวงพ่อจะไปณักจตหานที่ใดพยามัจจุราชกระสงทหารติดตามหลวงพ่ออยู่ตลอดเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อไปณักจตหานที่ใด ท, ทํำธุระอะไรกิจธุระอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทมอง ตนเองอยู่เสมอว่ะมรนังเมชีวิตของข้าไม่รู้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่เสียงไหนไจะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวเองนั่นะเป็นอันดับแรกข้าเพาเจ้าจะทำอะไรที่ดีที่สุดข้าเพาเจ้ามีที่พึ่งทางด้านจิตใจหรื อ, อยัง อันนี้คือพวกเราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอไม่ใช่ว่าอยู่แบบเออละเหยลืมตัวไปเป็นวันๆไปไม่ใช่นะลูกหลานนะบรรณภัยคำนี้ไม่ได้เลือกว่าเดือนวันคืนเดือนปอีพร้อมที่จะคืบคลานเข้ามาหาพวกเราในทุกโอกาสในทุกเวลาเพราะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเรามีบุญกุศลอยู่ในจิตใจแล้วไปนสถานที่ใดดีทั้งหมดเหมือนกับคนมีเงินถ้าว่าคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วไปนัสถานที่ใดดีทั้งหมดประโลกภายภาคหน้าซื่อสัตย์ยิ่งกว่าซื่อสัตว์ตรงยิ่งกว่าตรงที่เป็นขโมยโพยโจรที่จะขะโมยบุญกุศลของเราไม่มี เรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราใช้หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เหมือนเงินทรัพย์สมบัติมีแต่มีการขดการโกงการพ้นการขี่การเบียดบังไปในเมืองมนุษย์มีแต่บุญกุศลนะไม่ได้ของใครของเราเพราะฉะนั้นเราสั่งสมบุญกุศลเท่าไหร่ก็เท่านั้นติดตัวของเราไปไปสู่พัโลกถามเมื่อหมดบุญแล้วก็นั่นละ ไปตามกรรมของตนเองถ้่าว่าคนมีบุญ เ, เมื่อกับคนมีสตังค์อยู่ตลอดพอเราได้สังสมบุญไว้มาก บ, บุญกุศลก็เกือ้อกูลหนุนเราไปนานเท่านาน อ, าอย่างพรหมไปอยู่ท่นานชั้นพรมป ก, กาพรหมท่านบอมเพญเรื่องชาญสมาบัติของท่านท่านขึ้นไปอยู่พรหมจนลืมอาอยุของท่านเท่าไหร่ จนถือท่านจนถือว่าพรหมเป็นนิพพานฮะเออพรหมนี่แหละเป็นนิพพานดูจนลืมมันกี่โมกลอยกี่มันกี่หมืน่นกี่แสนเป็นกี่อสงไขยจนเรื่อนไปได้มันนานเหลือเกินเออบวกอันนี้แหละคือนิพพานนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่พรหมพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดใช่ไหยเพราะเขาเข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือนิพพานพระองค์บอกว่าอันนี้เป็นพรหม เป็นสวยความสุขด้วยฌานเท่านั้นเองไม่ใช่นิพพานอพรหมก่าเทียงวัดิดตินขาดนีด่แหละคือนิพพานนี่แหละแต่ทิฏฐิมานะมันไปใช้ธรรมดาเลยแอบผลสุดก็เอาประลองกันไประลองกันพระพุทธเจ้ากับพรหมประลองประลองวิ ช, ชากันไงพระพุทธเจ้าบอกเอา ถ้าเธอว่าเป็นนิพพานจริงให้เธอแสดงแสดงเด็ดตัซิแสดงเด็ดคล้ายๆหายตัวเหมือนกันให้หายตัวใครล้าเข้าฌานของตัวเองแล้วให้หายเงียบไปเลยพอเข้าฌานปับป๊บพระพุทธเจ้ามียารรัตน์ฌานเหนือกว่าพรมใช่ไหมล่ะพอเข้าไปในพระพุทธเจ้ามองนี่แหละ พรมไปหลบอยู่ที่ไหนก็ชี้นิ้วตรงนั้นตรงนี้นมไม่มีที่จะหลบเลยว่างั้นะพราะพระพุทธเจ้าเห็นหมดอพรมไปหลบอยู่มุมไหนพระพุทธเจ้ามองเห็นหมดอผมพรมก็ยอมแพ้อพผมพระพุทธเจา้าเอาดูนะพรมที่ไหเราจะแสดงให้ท่านดูเราเป็นพุท ธ, ธเราบอกว่าทิพย์พานไม่ใช่ตรงนี้มันนิพยพานอีกจุดนึงเดี๋ยวเราจะเราจะทําให้ดู ให้หาเรานะที่นี่นะเยพรมกับครับพอพระพุทธเจ้าเข้าฌานเข้าสู่นิพพานปั๊บแต่นั้นผมหาหายมองหาไม่เห็นเลยหาไม่เจอเลยท่านี้หาที่ไหนก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าออกมามาแสดงตนให้ปรากฏเป็นไงพราพผมเห็นไหมไม่เห็นครับผมนั่นแหละความรู้ของเธอกับของท่าน มันต่างกันนะนี่แหละเราเข้าถึงนิพพานแล้วเธ อ, อยังเป็นอยู่ในฌานพรหมประกาพรหมก็เลยยอมอยอมฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ยนะบางทีขอท่านสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญทางฌานสมาบัติขึ้นไปสู่พรหมจนลืมมันอายุยืนยาวจนเกินไปเนี่ยนะอันนั้นเป็นแปลว่าเป็นผู้มีบุญ ไปสวยความสุขในบุญของตนเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะคนมีบุญมากเหมือนกับคนเป็นเศรษฐีเนี่ยไปอยู่นิจฐานที่ใดก็มีความสุขเงินของท่านเป็นเงินที่บริสุทธิ์อีกตั้งหากไม่ใช่เงินขายยาบ้ายามะไม่ใช่เงินคดเงินโกงไม่ขึ้นไม่ใช่เงินหลอกเงินลวงถ้าเงินคดเงินโกงเงินหลอกเงินลวงมาพอได้เงินมาแล้วเขาคุยเขียกูดค้นได้เงินมาจากไหน เงิได้มาจากหลอกลวงเขาต้มตุนเขามานั่นแหละแต่นี่หาความสุขไม่ได้อันนั้นแปลว่าเงินได้มาด้วยมาความบ่ไมบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วนะไปอยู่นสถานที่ใดเป็นเงินบริสุทธิ์นะเออความบริสุทธิ์แล้วของเงินกอกุณหนุนเรามีแต่ความสุขกายสุขใจตามอัตภาพไปอยู่ณที่ใดอันนั้นคือคนมีบุญ คือคนคนมีบุญคือคนมีเงินเพื่อให้พวกเราสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพบในชาตินี้พวกเราหาได้ขนาดนี้เอาระพอละแต่หาบุญเข้าสู่จิตใจบาเพ็ญเรื่องสมาธิสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญานั่นะเข้าสู่จิตใจถ้าพวกเรา มีทานมีศีลมีภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละแล่นั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบมีฌานขึ้นมาในจิตใจมีสมาธิในจิตใจนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะคณะสัทธา ญ, ญาธิโยมพระในลูกหลานนะให้สั่งสมบุญกุศลชีวิตทั้งชีวิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตน้นพระยามัจจุราชสงทหารติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ววันไหนและ่ะ ถ้าวเราเผือเมื่มอไรถึงคราวแล้วกันนะ่ะ พ, พยายามประจุลัทฮิดาบตัดคอเราทันทีตายไปรู้เท่าไรเ่าเท่าไหรปูย่ย่าตายยายปงสาขนาด ญ, ญาติญาติมิตรสหายอของพวกเราเนะี่ยตายไปเท่าไหร่อยู่ในป่ายช้าไม่รู้เท่าไร่เ่าเท่าไหร่เราจะอยู่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะให้ถามตนเองนะเพราะนะั้นอย่าลืมตัวสรุปแล้ว อย่าลืมตัวอย่าพยองพองตัวว่าข้าเป็นคนเก่งคนกล้าคนฉเฉลียวฉลาดคนร่ําคนรวยคนสวยคนงามออย่าลืมตัวอีกสักวันนะเหมือนกันหมดเป็นกระดูกเหมือนกันหมดเอไม่ว่าท่านว่าเราเพราะนั้นในพวกเราสิ่งไหนคือดีดีรู้ไม่ดีคิดดีทําดีพูดดีรู้ไห ม, ดดดดไหมนั่นแหละทําดีนั้นดีนั่นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเรา ความดีนั่นแหะจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เราได้พึ่งพาอาศัยทั้งปัจจุบันและในอนาคตชั่วนั้นพึ่งไม่ได้นะชั่วนั้นพึ่งไม่ได้พึ่งก็ได้พึ่งความชั่วมีแต่เข้าคุกเข้าตารางตกนรกมกไหมความทําความชั่วมากทอะไรก็ยิ่งตกลึกยิ่งเข้าคุกมากถ้าคนทําความชั่วคนนั้นชั่วรู่ไหมชั่วอย่าทํำทําสิ่งที่ดีเอารับพอในเสน่นะ